เมื่อกี้ตอนหลูพ่อไหวพ้พระเรารู้สึกไหมบรรยากาศมันสงบพวกเราเงียบพวกเราชุ่วคีบช่วคบมมีสติบรรยากาศมันก็ไม่ดีใจเราสงบสงัดใจมันพร้อมจะรับธรรมะใจวุ่นวายรับธรรมะไม่ได้ นี่ธรรมะไม่ได้มีเฉพาะตอนที่หลวงพ่อเทศธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่คนส่วนใหญ่นะละเลยที่จะเข้าไปสัมผัสนี่นธรรมะมัมีอยู่ตลอดอย่างทางมหายานนั่นกาจะมีคำพีอบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดเลยนี่นก็เป็นการเปรียบเทียบ แต่จริงแล้วคือธรรมะนั้น ถ, ถ่ายทอดความจริงออกมาอยู่ตลอดเวลาอย่างเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่นี่นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงอย่างรูปร่างกายเนี่ยมันดูยากนิดนึงรูปมานายุยืนกว่านมามธรรมอย่างร่างกายเราช่วงเช้า รู้สึกไหมร่างกายเราเป็นแบบหนึง่งตอนเหนื่อยเหนื่อยร่างกายเราเป็นอีกแบบหนึง่งค่อยๆเปลี่ยนดูลำบากนิดนึงแต่ว่าความรู้สึกในใจนะี่มเปลี่ยนเร็วตาเห็นรูปความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยน ในตอนนี้ลมหนาวพัดมาบางคนชอ บ, บคนชอบความรู้สึกก็เปลี่ยนพอใจบางคนไม่ชอบลมหนาวพัดม า, นะามรู้สึกกลุ้มใจไม่สบายใจเนือร่างกายกระทบอารมณ์นะความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยน อย่างเรานั่งอยู่ดีๆเราคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคนที่เราเคยเกลียดมานานแล้วความรู้สึกเกลียดก็กลับมาอีกใจมนันเปลี่ยนหรือบางทีเราคิดถึงคนที่เรารักความรู้สึกรักก็เกิดขึ้นอย่างบางคนบอกว่าจะรักเธอนี่ลอนดอนอะไรเงี้ยโกหกนะไม่มีใครรักใครทีร่ลอนดอนมีแต่รักอย่างมากก็รักตอนที่นึกถึง แต่ท่านนึกถึงตอนที่ทะเลาะ ก, กันก็ไม่รักแล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนคนในมีลูกบ้างยกเมื่อซีมีลกูกนึกออกไหมแต่และวันแต่และเวลาเรารักลูกไม่เข้ากันลูกคนเดียวกันนะนะบางวันน่าตีรู้สึกไหมบางวันน่ารักบางวันโอ้ยหยาบฟัดนะรู้สึกเอ็นดูมาก ในความรู temps, ้สึกเราเปลี่ยนใจเราคิดเราคิดถึงเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้คิดถึงเรื่องนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันมีให้เราดูตลอดเวลาอ่ในกายในใจนี้ในร่างกายดูอย่างนี้ก็ได้ว่าหายใจออกนะแล้วก็เปลี่ยนไปหายใจเข้าหายใจเข้าเปลี่ยนไปหายใจออกะร่างกายเราเขาไม่คงที่นั่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องขยับะ ขยับแล้วก็ต้องอะไรอ่ะเปลี่ยนอิริยาบถถ้าขยับแล้วยังไม่หายปวดหายเมื่อยเนร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานร่างกายเราถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราใครรู้สึกเนาะนี่พวกที่นั่งพัดน่ะมันหนาวเลยมันร้อนร้อนไปนั่งนอกไป <laughs> คนอื่นเขาจะหนาวจะตายแล้วนีน่มันนั่งพัดเมื่อกี้หัวท้อไม่ออกไหมความรู้สึกเปลี่ยนไหมนอ่หลวงพ่อทดสอบให้ดูหูเราได้ยินเสียงยเี้ความรู้สึกเราก็เปลี่ยนนะเ น, นี่ยความเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือตัวธรรมะที่แสดงอยู่ตลอดเวลาเงินที่บอกว่าพระพุเทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องจริง แต่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเราไม่มีสติถ้าเรามีสติรู้สึกตัวอยู่นะรูปเคลื่อนไหวรู้สึกนามเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายทางใจเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกไปเราม่จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจนี้และเราก็เรียนธรรมะได้ตลอดเวลาไม่ใช่เรียนเฉพาะตอนที่อยู่กับหลวงพ่อวันหนึ่งวันหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งมันอยู่กับหลวงพ่อสักเท่าไหร่กัน สมมติมาฟังธรรมทุกวันที่แสดงธรรมมาเสาร์อาทิตย์แสดงธรรมชั่วโมงกว่าๆร ว, วมสองพิเรตชั่วโมงกว่าๆแล้วเวลาที่เหลือะอีกตั้งหลายวันอีกห้าวันหกวันรวมเวลาเข้าไปเยอะแยะเลยตรงนั้นถ้าเราไม่ฟังธรรมใจเราก็มวัวแต่หมกมุ่นอยู่กับอาธรรมใจมันห่างเหินกับธรรมะนั่นเราต้องมีสติอยู่เรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อชมเมื่อกี้นี้ เว่าตอนที่หลวงพ่อไหว้พระเนี่ยพวกเราจิตใจพวกเราดีขณะนั้นจิตใจเราสงบลงไปนะโดยไม่ได้บังคับด้วยมันเป็นธรรมชาติรู้สึกไหมตอนที่หลวงพ่อไหว้พระเราก็สํารวมสํารวมแบบไม่ได้เคร่งเครียดเพราะไม่ได้คิดจะปฏิบัติถ้าเราคิดจะปฏิบัติเมื่อไหร่เพ่งจนแน่นเลยนะอัแบบนั้นเวอ่อไปเกินไปที่แท้ใช้ใจแบบตอนที่หลวงพ่อไหว้พระนั่นแ่ะ ใจขนาดนั้นแล้วพอดีพอดีนะสํารวมสงบเนี่ยอินเสียสังวร น, นะสังวรมีความสํารวมมีความระวังตัวไม่ไม่เครียดไม่เกล็งนะแล้วก็คอยดูเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจแล้วเท่ากับเราเปิดใจของเราเนี่ยขึ้นมารับธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะถ่ายทอดมาสู่ใจเรา นี่บางคนทําไมภาวนาเร็วบางคนภาวนาได้ช้านะถ้าตามตําราเขาบอกว่าถ้ามีปัญญาแก่กล้าปัญญาปัญญินสี่แก่กล้าภาวนาเร็วถ้าปัญญาไม่แก่กล้าภาวนาช้าแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเวลาที่ภาวนามันพอหรือเปล่านานๆภานวนาทีนะถึงจะปัญญาแก่กล้ายัางไงนานๆภานวนาที นานปฏิบัติทีน า, นานจะรู้ตัวสักทีมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันงั้นความเพียรทำให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายถ้าเราอยากพ้นทุกข์อยากได้ของดีของวิเศษเอาไว้ไประจาตัวได้ธรรมะโสดาบันศรัทธาคาอะไรขึ้นไปอันนี้เป็นของดีของวิเศษประจำตัวเราจะติดตัวเราตลอดการจนถึงพระนิพพานเลยข้ามภพความชาติไปได้ อี่ยคนที่เข้าเคยภาวนามาได้ธรรมะมาเนียพอเกิดมาเนี่ยจะลืมจะลืมแต่ใจนี่จะฝับไปในธรรมะอยู่นะพอมีอะไรมากระทบมีอะไรมาสะกิดนิดเดียธรรมะมันจะกลับมาบางทีมันแสดงอาการของการปัดกิเลสให้ดูนะเป็นการทบทวนให้ดูเพราะงั้นบางทีครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านสังเกตดูว่าเอ๊คนที่ ได้โสดาอะไรเนี่ยนะว่ามันตัดใหม่ทุกทนะีเป็นโสดาบันมาแล้วพอมาเกิดใหม่มันมาตัดใหม่ความจริงมันไม่ได้ตัดหรอกมันมาแสดงให้ดูเท่านั้นเองเนี่ยงั้นคุณธรรมเหล่านี้นะมันจะติดตัวพวกเรางั้นพยายามสร้างสมบัติที่แท้จริงเอาไว้ให้ตัวเองบ้างอย่างน้อยยังไม่ได้โสดาข้ามภพข้ามชาติไป ให้ได้ความเคยชินที่จะเจริญสติจเจริญปัญญาคอยรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราเคยรู้สึกบ่อยๆม่ข้ามพบข้ามชาติไปได้ตอนหลวงพ่อเด็กๆตอนนั้นสักสิบขวบได้เล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นไฟไหม้ไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถวไฟไหม้ตึกแถวห่างไปสักสี่ห้าห้อง เป็นเขาทําบ้านเขานะเป็นที่ซ่อมรถยนต์ไฟไหม้น้ํามันขึ้นมาไฟไหม้ขึ้นมาเรากําลังอยู่หน้าบ้านเราเห็นไฟไหม้ตกใจตกใจกูพิ่งเลยะจะไปบอกพ่อยิงก้าวที่หนึ่งไม่มีสติก้าวที่สองไม่มีสติก้าวที่สามเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นมาจากข้างในเลยสว่างครึบขึ้นมาเลยนะมันไปเห็นความตกใจของตัวเองเขา้า อันนี้ทําไมมันเกิดได้เองตั้งแต่เด็กๆเี็ย น, นี้มันแสดงว่ามันเคยทํามาแล้วมันเคยเจริญสติมาแล้วแล้วก็มันลืมไปพอมีอารมณ์ที่แรงๆมากระทบนะมันกลับมานั้นอารมณ์ที่แรงๆเนี่ยส่วนใหญ่ตระกูลโทสะตกใจกลัวอะไรพวกนี้ยนะหรือโกรธแรงๆอะไรเงีย้ยโทสะมันจะดูง่ายที่สดุดเคยมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟัง ว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่นท่านไปนงานลอยกระทงแล้วก็ไปยืนอยู่ไม่ทันระวังนะไปยืนอยู่ใกล้ที่เขาจุดพลุพอถึงเวลาเนี่ยเขาจุดพูุโดยท่านไม่ทันรู้ตัวมันเปลี่ยงขึ้นมาใกล้ๆตัวบอกเห็นความตกใจเกิดขึ้นแล้วสติก็ะระลึกได้เลยสติะระลึกรู้ความตกใจจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิงบานมันก็เกิดขึ้นมาเลย อันนี้เขามีของเก่าเขามีของเก่าที่ว่าเคยฝึกมาแล้วพวกเนี้ติดตัวเราไปส่วนของภายนอกนะทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้ไม่ติดตัวเราไปครอบครัวเราสามีพันยาลูกเราไม่ติดตัวเราไปร่างกายของเราเองก็ไม่ติดตัวเราไปนะเหลือแต่คุณธรรมความดีความเลวของเราเนี่แหละติดตัวเราไปนี่พี่ยามสะสมนะไม่เคยรู้สึกตัวก็หัดรู้สึกซะบ่อยๆนะ อย่าเอาแต่วันหนึ่งวันหนึ่งฟุ้งซ่านตลอดเวลาใจหนีร่อนเล่ยไปนะฟุ้งซ่านเล่นเน็ตเล่นไลน์อะไรทั้งวันไม่ดีหรอกนะพยายามหันรู้สึกตัวเรื่อยๆร่างกายนั่งอยู่รู้สึกนะยังขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมอย่าขยับจิตนะบอกว่าร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมอันนี้นะใช้ไม่ได้แล้วนะใช้ใจธรรมดา ใจที่ธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะใจที่ปรุงแต่งไปแล้วอ่ะโลบไปแล้วอย่างพระบอกให้ปฏิบัติอ้าวลงมือปฏิบัติทําใจขลึมๆแล้วนะวางฟอร์มก็นางใช้ไม่ได้ใช้ใจปกติใจขณะเนี้ยใจปกติดีบ้างร้ายบ้างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ใช้ใจอย่างเนี้ยรู้ไปร่างกายกําลังนั่งอยู่รู้สึกไหมยิ้มซี้ยิ้มหวาน ร่างกายกำลังยิ้มจามันยิ้มแบบมันยิ้มแบบนี้นะใจมันไม่ได้ยิ้มนะ <c oughs> <c oughs> นียเมื่อกี้รับลินรู้สึกจไหมนี่ยเราเสร็จใช้ใจที่ปกติเลยใช้ใจที่ปกติแต่จามไม่ปกติแล้วนะรวบเข้ามานะ้วจะรวบเข้ามามันจะแน่นดูไวเลยง่ายๆนะ ถ้าเมื่อใดใจเราแน่นนะเมื่อนัน้นเราแทรกแสงแล้วถ้ามันแน่นแน่นมันอึดอัดมันแข็งแข็งเมื่อนั้นแทรกแสงเรียบร้อยแล้วไม่ดีเะฉนั้นเวลาที่เราจะรู้สภาวะทั้งหลายนะรู้ไปด้วยใจที่ธรรมดาเนี่ยนั่งกายพยักหน้ารู้สึกไหมอย่างเนี้ยเราไปเช็กหน้าไม่ได้เจตนาพยักหน้าใช่้ยครับฟังหลวงพ่อพูดแล้วレスปอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหัวล้ายิ้มรู้สึกอย่างเนี้ยรู้สึกไปด้วยใจปกติเลย จนะทําทใจมีมารยามากนะจะยิ้มล้วจะหดลล้วไม่ได้กินอกนะมารยามากไปเนะีย่ยขยับขยื่นนะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกด้วยใจที่ปกติตาหูจมูกลิ้นกายใช้กระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกเราเปลี่ยนนะเราก็รู้ด้วยใจปกตินะ โกรดขึ้นมาแล้วก็ดูไปธรรมดาะไม่ต้องตกตกใจความโกรธจิตนี่เป็นคนละอันกันเพราะนั้นก่อนจะมาตึงตัวนี้ต้องหัดแยกให้เป็นก่อนนะกายกับใจก็คนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกันนะความโลภความโกรธความหลงแต่ละอันมันก็เป็นคนละอันกันแล้วมันก็คนละอันกับใจเราใจเป็นคนรู้ใครสามารถเห็นได้ว่าความโกรธกับใจเป็นคนละอันกันยกมือให้ดูหน่อยซิ ความโกรธปัจจไม่ใช่สิ่งเดียวกันใจเป็นคนไปรู้ว่าโกรธนายยกมือหน่อยยกสูงๆหน่อยให้มันแอ t ที e เพราะมันหนาวนะคำเฉยชาไม่ไหวนะเรียนกรรมฐานอย่าทำตัวเป็นคนพิการนะอย่าทำตัวเหมือนคนพิการนะทำอะไรก็จะ ก, กินน้ำแนละ้ว ชั่วโมงยังไม่ได้กินเลยไปวายไปแล้วนะเนี่ยตัวอะไรัวดเลาะนะรูปัวดเราใจเราเป็นคนรู้รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะใจเราเป็นคนรู้เนะนี่ยค่อยๆฝึกไปความรู้สึกในใจเกิดขึ้นใจก็เป็นคนรู้ยังขณะนี้เราสุขหรือเราทุกข์หรือเราเฉยๆรู้ออกไหมแต่ละคนสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยมีตลอดเวลานะ ที่เรารู้สึกอยู่จิตขึ้นจากภาวะมาเนี่ยมีสุขทุกข์เฉยๆเกิดร่วมตลอดอะนะแต่เราละเลยที่จะรู้เห็นไมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแต่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราล่องลอยไปที่อื่นเราไม่ได้มีสติอยู่กับรูปกับนามของเราเองถ้าเรามีสติอยู่กับความรู้สึกของเรานะเราก็จะเห็นเล ใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเราเดียเเด๋ยวก็เฉยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง น, นะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยก็ไม่เที่ยงเห็นยากอะไรที่จะรู้เลยไม่ต้องดัดจริตแล้วจะดูแล้วตอนนี้สุขหรือทุกข์ตอนนี้ทือท่อๆซื่อบอไม่มีอะไรให้ดูทือท่อๆนิ่งๆก็บอกไม่สุขไม่ทุกข์ที่แท้ก็คือไปดัดแปลงจิตเรียบร้อยแล้วพอเราดัดแปลงจิตนะกายกับใจนียจะเพี้ยนไปแล้ว ร่างกายก็จะแข็งแข็งใครเคยนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมแล้วขอกเครีดบ้างเอาคอไปเดินเหรอทําไมคอเครีดเห็นไหมเนะี่ยเพราะอะไรเพราะเกรงนะใช้ร่างกายปกติใช้ใจปกตินะปกตินะั่แหละธรรมดานั่นแหละเราจะเรียนธรรมะธรรมะก็ธรรมดานั่นแหละเราอยากเห็นว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงต้องการรู้ของธรรมดา เราะะย่ไปดัดแปลงคือมันผิดธรรมดานะใช้ใ จ, ใจปกติรู้เนะี่ยตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ได้ไหมถ้าจะรู้ก็รู้ได้ใช่ไหมแต่ละเลยที่จะรู้นะตอนนี้ยืนเดินนั่งหรือนอนรู้ได้ไหมเนะี่ยรู้ได้นะรู้ได้ทั้งวันเพราะฉนั้นการเจริญสติปัฏฐานเยนะมีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้ไปรู้ใจนะ ถ้าเราใส่ใจเราสนใจใช่น่อยเราทำได้ทั้งวันเมืใช้ใจปกตินี่แหละเป็นคนรูนะ้ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามีทั้งวันร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีทั้งวันนะยนยาบทพิเศษเช่นกระโดดอนะไรเงี้ยนานๆมีทีไม่ได้มีบ่อยส่วนใหญ่ก็นั่งเดินยืนอะไรเงี้ยกลางคืนก็นอนบางคนก็ไม่ค่อยจะนอนกลางคืนนะชอบมานอนใกล้ๆเชา้าแล้วบอก ตื่นไม่ไหวก็เล่นนอนดึกเกินไปควรจะนอนสี่ทุ่มนะถึงตีสองช่วงนี้เป็นเวลาที่ร่างกายมนุษย์ต้องการพักช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองนะหรือสี่ทุ่มครึ่งถึงตีงหนึ่งครึ่งอย่งเงี้ยช่วงนี้ควรจย่พักมีทุล่ามีอะไรวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นมาทำต่อดีกว่า หัดรู้จักนาฬิกาชีวิตของตัวเองบ้างแม่งั้นจะเครียดกายเันจะเครียดใจมันจะเครียดคนรไปนอนสว่างแล้วค่อยนอนร่างกายผิดปกติแก่เร็วโสมตัวอะไรยิ้มรู้สึกไหมรู้สึกได้ไหมว่ายิ้มเนี่ยการยิ้มการขยับตัวอะไรเนี้ย อยู่ในสติปัฏฐานแบบไหนรู้ไหมสัมปชัญญะแบบพระนะอยู่ในสัมปชัญญะแบบพระในสติปัฏฐานนะในหมดกายเนี่ยเริ่มจากการหายใจเราหายใจทั้งวันไหมถ้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวได้ทั้งวันเห็น ไ, ไหมอันที่สองียริยาบทแบบพระยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเรายืนเดินนั่งนอนนึกออกไหม ถ้ายืนรู้สึกตัวเดิน น, นั่งนอนรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันลนะ <c oughs> เคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวทั้งวันไหมเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งสลับกันไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยอย่างน้อยท้องพองท้องยุบอะไรเนะี่ยเห็นที่เขาเห็นท้องพองท้องยุบนะอย่าไปดูที่ท้องอย่าไปเพ่งใส่ท้องรู้สึกสบายๆรู้สึกไปทั้งตัวเนะี่ยรู้สึกท้องมันพองรู้สึกท้องมันยุบเหมือนเรารู้สึกว่ายิ้มเนี่ย นะร่างกายมันยิ้มอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายมันยิ้มไม่ต้องรอจะรอยิ้มนะเหมือนคนที่คนพิการนะเวลาดูท้องฟองยุบอย่าไปเพ่งใส่ท้องนะรู้สึกตัวสบายๆทั้งตัวเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนีไ่ได้เข้าไปสู่สัมปชัญญะบัพเพะ ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นรู้สึกความหยุดนิ่งเกิดขึ้นรู้สึกะค่อยๆฝึกอย่างนั้นไปค่อยรู้สึกอย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยหมวดกายที่ทําง่ายนะสามตัวแรกเนี่ยทําง่ายใช้ได้ตลอดวันคนไม่ต้องมีชานมีฤทธิ์มีเดชอะไรก็ทําได้ใช้ใจปกติหายใจออกรู้สึกให้ยใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกนะต่อไปก็ดูความรู้สึก คนไหนไม่ชอบดูกายก็ดูนามมาทําแทนนะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขนะ์เกิดทั้งวันเกิดที่ไหนเกิดในร่างกายก็เกิดในจิตใจสุขทุกข์เนี่ยเกิดในกายกับใจนะถ้ามีเฉยๆอีกตัวหนึ่งนะี่เกิดที่ใจร่างกายนี้มีสุขมีทุกข์อยู่เรื่อยๆ ร, รู้สึกไหมร่างกายแล้วสังเกตไหมร่างกายเราเนี่ยมีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นตลอดนะ เดี๋ยวก็คันตรงโน้นเมื่อยตรงนี้รู้สึกไหมเนี่ยปกติพวกเราพอคันเราทําอะไรเกา เ, เรายังไม่ทันรู้เลยว่าคันะ เ, เกาไปแล้วหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่เกีย้คันแต่ว่าหายไปแล้วะ เ, เราไม่ได้ ม, ไม่รู้เวทนาที่เกิดขึ้นร่างกายมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราเราไม่รู้แต่การดูเวทนาทางกายเนี่ยนะยากนะถ้าสรงสมาธิจริงๆหนึ่งจะเห็น มาดูเวทนาทางใจเนี่ยง่ายกว่านะเวทนาทางใจคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจเนะเกิดทั้งวันไปดูนะมันเกิดทั้งวันเนี่ยสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยนะมันเป็นบทเรียนที่ทําอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็มีสติได้ทั้งวันนะหายใจออกหายใจเข้าทําทั้งวันใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนทําทั้งวันนะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทําทั้งวัน มีสุขมีทุกมีเฉยเฉยนะในกายในใจเนี้ยในกายก็มีสุขมีทุกในใจมีสุขมีทุกมีเฉยเฉยนะแนี่หมุนอยู่ทั้งวันถ้าเราดูแค่หมวดเดียวเนี่ยพอแล้วถ้าสุขเราก็มีสติทุกเราก็มีสติเฉยเราก็มีสติคือมีสติทั้งวันแล้วแมะสติปัฏฐานเนี่ยทําอันใดอันหนึ่งนะก็มีสติได้ทั้งวันแะ้วไม่ต้องทําได้ทุกอย่างอะไรไม่ต้องเอาวันเดียวก่อนเวลาฝึกอ่ะ อันเดียวเป็นตัวหลักนะหรือคนไหนไม่ชอบดูความรู้สึกสุขทุกข์มันไม่เห็นสุขทุกข์อะไรดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ชอบใจมันขี้โมโหนะใจมันขี้โมโหเราทำกรรมฐานนิดเดียวอ่ะจิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้เนี่ยทั้งวันดูสองอย่างเ่งจิตจะเวียงไปเวียงมานะโกรธเดี๋ยวก็หุนหินแล้เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หุนหิดแล้วเดี๋ยวก็หายทั้งวันมีสองอย่างเวลาที่มันไม่หุนหินเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้าง เป็นราัค้าก็ได้ใช่ไหมหรือมันใจลอยไปก็ได้เลยไม่ได้หงุดหงิดเคยเห็นหมานั่งเมอไหมหมานั่งเมอใครเคยเห็นหมานั่งเมอใครเคยนั่งเมอเหมือนหมาเห <c oughs> <c oughs> มันก็เหมือนกันเลนะระหว่าง ห, ห ม, งมานั่งเมอกระเมอมเหมือนหมาเนี่ยเวลาหมามันใจลอยไหมมันมีความรู้สึกไหมมันมีแต่มันไม่รู้เพราะพระพุทธเจ้ า, าแสดงธรรม แต่หมารับไม่ได้เลยหรือว่าแต่หมาเลยนะคนที่ทําเหมือนหมาคือใจลอยไปก็ไม่รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าอุตษาห์แสดงธรรมมันก็รับไม่ได้เนื่องที่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตลอดเวลานี้เรื่องจริงๆนะธรรมะเนี่ยถ่ายทอดอยู่ตลอดเวลาะอยู่ในทุกๆสิ่งทุกอย่างทั้งภายในกายภายนอกกายนะแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่ของภายนอกเนี่ยไม่ต้องใส่ใจมากพยายามดูในกายในใจของเราเอง นั่นดูสติปัฏฐานเนี่ยท่านจะเน้นมาที่ตัวเองนะที่จริงถ้าจะทางทฤษฎีเนี่ยดูข้างนอกก็ได้เพราะข้างนอกก็สแสดงไจรักแต่ถ้าดูข้างนอกแล้วเนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยรวมเข้ามาตัดอริยามรรคไม่เกิดเพราะเวลาที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าถึงอาาัปปนาสมาธิเลยนี่จิตมัวแต่ร่อนไปอยู่ข้างนอกไปดูของข้างนอกเกิดดับเลยเนี่ยมันไม่ไม่ย้อนมันไม่ย้อนเข้ามาตัดกิเลส เวลาจะตัดกิเลนตัดที่จิตนะเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนี่แหละมันใกล้จิตของเรางั้นการที่จะไปรู้ข้างนอกในทางทฤษฎีนะในฝ่ายปริยัตเนี่ยเขาบอกทำได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ทําได้ทางปริยัตินั่นแหละะในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันต้องย้อนเข้ามาแต่ถามว่ามีคนที่รู้ของข้างนอกแล้วย้อนเข้ามาไหมก็มีเหมือนกันะก็มีเหมือนกัน ใครเคยอ่านเรื่องยายฉีกระบวยหักบ้างเคยไหมนิทานเซนนายฉีเนีนะ่ยไปตักน้ํนะาะตักน้ําด้วยกระบวยใครเคยไปญี่ปุ่นมันมีที่ตักน้ําทําด้วยม ไ, ออ ไ, มนะไม้ไผ่เน้อออกไหมเนี่ยตักน้ําแล้วไม้ไผ่นี่หักนะแกก็ซาโตริเลยทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดแล้วดับไอ้คนอย่างนี้มีไม่มากนะ ไม่มากหรอกที่ว่าตัวบวยหักแล้วก็มารู้เข้ามาที่กายที่ใจนี่ว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันยากอยู่นะเคยเคยได้ยินว่าอีคิวสังรู้จักอีคิวสังไหมรู้เหรอหลวงพ่อยังเกิดไม่ทันพวกนี้อายุแก่กว่าหลวงพ่อนะเดี๋ยวอีคิวคิวสังอีคิวสังบอกได้ยินเสียงอี ก, การ้องโนซาโตริเนี่ยข้างนอก ทำไมสาตว์ตุลิขึ้นมานะสะสว์ตุลิไม่ใช่เป็นพระอรหันต์นะแค่ว่าได้ธรรมะขั้นต้นขึ้นมาก็สัตุรตุลินล้วไม่ใช่ว่าต้องเป็นพระอรหันตนะ์หรอกแต่ที่โหดมากๆนะคืออาจารย์เซนคนหนึ่งพอลูกศิษย์เดินผ่านประตูนะเอาประตูหนีบขาหักเลยนะลูกศิษย์สาตุริตรงนั้นนะทําไมอาจารย์ต้องหนีบให้ขาหัก เขาเกิดลูกศิษย์ไม่สาตรินะถ้าขามันไม่หักมันจะเตะเอาเพราะฉะนั้นหนีบเนี่ยต้องเอาให้เต็มเหนียวเลยนะมันทำหลายรอบไม่ได้แล้วน่ะไอแบบเนี้ยของเราไม่ค่อยทำกันนะเราไม่ค่อยทำงั้นในทางทฤษฎีนะ รูปนามภายในรูปนามภายนอกรูปนามที่ใกล้กนะ็คือของตัวเองรูปนามที่ไกลดูรูปนามภายนอกนะก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันแต่เวลาปฏิบัติจริงเนี่ยพยายามโอปปณะยิโกน้อมเข้าหาตัวเองนะเพราะเวลาตัดกิเลสเนี่ยมันมาตัดที่จิตมันไม่ตัดอยู่ข้างนอกหรอกมันตัดลงที่จิตที่เดียวเลยนะอะไรที่ทําให้มันรวมเข้ามาที่จิตสัมมาสมาธินะ สมาธิเนี่ยจะรวมจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นหนึ่งนะแล้วคุณธรรมความดีทั้งหลายเนี่ยองค์มรักที่เหลือทั้งเจ็ดนะจะประชุมลงที่จิตนะมรักทั้งเจ็ดนะรวมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันด้วยกําลังของสมาสมาธิงั้นถ้าเราไปรู้อยู่ข้างนอกๆ น, นะมันรวมยากมีบุญบารมีมากพอจริงๆอ่ะมันถึงจะรวมเข้าว่าเคยรวมเข้ามาแล้ว เพราะนพวกเซนเนี่ยสังเกตมันเขานั่งสมาธิกั น, นะเซนไม่ใช่อ่านหนังสือแล้วก็โต้เถียงเงินพูดเพ้อเจอ้อทั้งวันนะฉลาดแหลมคมไม่ใช่นะเซนแปลว่าฌานเพราะฉะนั้นพระเซนเนี่ยนั่งสมาธิเยอะนะเะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่ว่าจิตเขารวมพอถูกประตูหนีบขาหักตกใจเห็นไหมย้อนกลับมาที่จิตตกใจแล้วฟ้าเดียวก็ขาดเลยในจิตมันรวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฝึก สมาธิมาให้ดีให้จิตรวมจนชํานาญนะดูของนอกเนี่ยโอกาสที่จะตัดเนี่ยน้อยมากเลยไม่มีเลยอย่างไปดูลูกแก้วนะเห็นพระพุทธรูปอยู่ในลูกแก้วอะไรนี้กี่ปีกี่ชาติก็ไม่ตัดหรอกกิเลสไม่ได้อยู่ที่ลูกแก้วเนี่ยกิเลสอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนั้นไม่ลาตัดเนี่ยมันตัดลงที่ใจะมาล้างกิเลสที่ใจเรานี่กิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่ใจที่เดียว งั้เวลาที่อรอยิยมรรเกิดเนี่จะเกิดที่ใจที่จิตจิตใจนี่พวกเดียวกันนะเหมือนกันจิตกับใจกรอันเดียวกันนะั่นแหละในธรรมชาติที่รู้อารมณ์ขณะนี้จะรู้อะไรดีละ่ะรู้กายนะมีให้รู้ได้หลายแบบรู้เวทนาแนะนําให้รู้เวทนาในใจที่สุขทุกเฉยๆในใจมีทั้งวันนะแล้วก็ดีชั่ว ดีช่วไม่ต้องดูทุกตัวหรอกตัวไหนเด่ดเนนก็เอาตัวนั้นแหละเ น, ะนะี่ยเราขี้โมโหเนี่ยเราก็ดูใจหงุดหงิดใจไม่หงุดหงิดนะหรือขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยนะเจอเมียชาวบ้านก็ชอบอะไรเงี้ยนะใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจไม่โลภก็รู้นะหรือใจฟุ้งซ่านเก่งใจลอยนะรู้จักใจลอยไหมเนี่ยรู้ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเวลาใจลอยลอยยาวไปเลยใช่ไหมไม่ค่อยยอมรู้อ่ นั้นจะดูใจลอยให้ดีนะหรือจะดูจิตให้ดีเนะี่ยก็มีเครื่องอยู่สะก่อนพอจิตหนีไปก็รู้ทันนะอย่างเรามีเครื่องอยู่คือเราคอยสังเกต จ, จิตเราเรื่อยๆจนชินที่จะคอยรู้จิตพอจิตหนีไปน้ําจะรู้เองนะถ้าจะรู้กายอย่างเราเคยหายใจเรื่อยๆเนี่ยพอจิตหนีไปมันจะกลับมาที่ลมหายใจเองมันเคยชินที่จะมารู้ลมจิตเนี่ยไปไหลไปตามความเคยชิน ถ้ามันเคยชินที่จะรู้ลมมันก็กลับมารู้ลมบ่อยนะมันก็มีสติเกิดบ่อยนะเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดนะูถ้าเราเคยเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะพอเราขยับตัวปุ๊บมันรู้สึกขึ้นมาเองนะสติเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนานะสติที่ดนะีใจจะไม่แน่นถ้าจงใจจะให้สติเกิดนะอึดอันะใช้ไม่ได้งั้นฝึกนะ ฝึกให้ใจมันเคยชินอยู่กับอารมณ์อันใดอัหนึ่งในรูปในนามนะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่เอาอา ร, รมณ์ข้างนอกไม่เอาเรื่องราวที่คิดนะไม่ได้ไปนั่งคิดเรื่องโน้นเรื่งนี้ไม่เอาเรื่องราวที่คิดไม่มีสภาวะทรรนะเอารู ป, ปรธรรมนามธรรมาจริงๆนะอย่างความรอบความเกิดอความหลงเนี่ยนะเป็นของจริงใครรอบก็รอบเหมือนกันนะเวลาคิดคิดไม่เหมือนกันนั่นะนะ่านะดูจากของที่มีจริงๆ ใครขี้รอบดูรอบใครขี้โกรธดูโกรธนะใครใจลอยเก่งก็ดูนะเช่นเราหายใจไปพุทโธไปใจหนีไปคิดเรารู้อัดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆทั้งวันนะปฏิบัติไปในหายใจไปถ้าใจหนีเรารู้ใจหนีเรารู้ฝึกอย่างนี้แหละพอไปสติสถียิบขึ้นมาเลยใจขยับตัวคลิกเดียวเห็นเองโดยที่ไม่ได้เจตนาจะเห็นเลยมันต้องมีเครื่องช่วยนะอยู่ๆไปดูจิตตรงๆเมันอกีดูไม่ไหวนะพลังของเราไม่พอสมาธิไม่พอ เราก็อาจจะหายใจไปพุโทโธไปพระใจหนีไปคิดรับรู้เนี่ยต่อไปพระจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เลยตัวนี้ดีนะกรรมฐ า, านอันนี้ดีควรจะฝึกเนื่นไปทาเอานะแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวไม่ได้ให้เลิกปฏิบัตินะตอนกินข้าวพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแสดงเรื่องอะไรเรื่องเปลดนะแต่เปลดไม่เคยได้ยินธรรมะเลยเห็นไหม เป็นไม่เคยได้ยินธรรมะเลยหรือแสดงเรื่องสัตว์นรกนะื่อทีคุ้มใจนะเจือบเข้าส่วมแล้วแถวยาวเดี๋ยวนี้เพิ่มส่วมให้แล้วนะความอึดอัดขัดข้องลำบากคงลดลงแล้วละ่ะนะนะอย่างเราจะอรอเข้าห้องน้ำหูขิวยาวเนี่ยสบายใจไหมหรือทุกทุกใช่ไหมเนะ่ยจิตกำลังตกนรกอยู่นะตกนรกอยู่ลำบากนั้น ธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะขอบยังมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้นแหละเราก็จะเรียนธรรมะได้ตลอดเวลามีเครื่องอยู่อยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตของเรานี่เองนะสังเกตไปเรื่อยๆสอนให้แล้วนะต้องไปทําเอาไม่ทําก็ไม่ได้หรอกไปไปทำไปกินข้าวไะกินข้าวคือปฏิบัตินะนิมนต์นะครับ ยิ่พระเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าฉันข้าวขาดสตินะเป็นหนี้เป็นเน่เพราะว่าข้าวไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ทำมาหากินเองนี่หมดนล้ครับท่านอาจารย์เชิญกรรมการคุณอาเชิญรบกวนหมน